นักภาวนาเราไม่ว่าพระว่าคารวะที่ตั้งหน้าตั้งตามาอบรมการขบการฉันไม่ได้ลำบากนะพวกนักภาวนานี้กินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายมากทีเดียวถ้าเหลือเฟือมันเป็นหมูขึ้นเฉียงมี่หลวงตาเคยผ่านมนาะอย่างโทกโชนเพรา ะ, ะนั้นการพูดจึงอาจผ่านทุกอย่าง ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วไมา่จะอพูดกับท่านว่าจะผิดไปดพการสงเคราะห์ผ่านเนนนี่ถ้าเกี่ยวกับอาหารสงสารก็สงสารก็ให้ไปแล้วก็เสียอีกทางหนึ่งให้มัมากเสียทางหนึ่งทั้งจะให้ทั้งจะหยุดคืนนะรู้ถ้าให้มากกินนอนไม่รู้จักตื่นขี้เกียจกี่ขั้นมากเราเคยเป็นแล ให้มั น, นหีวห้อยหอยให้พอพอรองท้องพออยู่ได้อยู่ได้นี่ภาวนานี่ดีถึงถึงมีเคยมาแล้วนะว่างันเวลาเอาอะไรไปถวายพระในวัดนัวันนี้เราจรึงไม่ค่อยเสริมอะไรมากนะสำหรับเรานะอันหนึ่งขสนสารนะถ้าให้ระยะมันก็เสียอันหนึ่งไม่ทราบจะทำยังไงนี่พูดให้ฟังนักปฏิบัติ เรื่องการกินนี้สำคัญมากสาหรับทางด้านภาวนา <c oughs> ถ้าอาหารการกินที่ดีบดีๆยิ่งคัดผัดมันๆด้วยแล้วนี่โอยหมูขึ้นเสียงไม่ยอมลงนะนี่เพราะฉะนั้นการพอการฉันรวงผ้ากรรมฐานท่านจึงบอกอาหารรสสัปปายะอาหารเลือกที่สบายสบา ย, บา ย, บายคือสบายการภาวนาการฉันพออยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอ <c oughs> เหลือเฟือกว่า น, นั้นไม่ได้การภาวนาไม่ก้าวนะหนะ้าจัมมนาพาตั้งหลายที่มานี่มาหลังไรมาทุวันทุวัน <c oughs> จะมากขึ้นทุวันให้สังเกตนี่วันนี้อธิบายให้ฟังถึงเรื่องพระกัต า, านเรากับด้านภาวนาอาหารที่เหลือเฟือนี่เป็นข้าสึกต่อการภาวนามากนะมีอดอดอยากอยากขาดขาดแคลนแคนนั้นดีที่สุดถ่าพูดอย่างนี้เราก็เลกได้ <c oughs> เราลงมาจากภูเขาเป็นวันที่จะฉันแล้วก็ลงมาไปบินทบาตบ้านเขาเขาย้ายบ้านมาอยู่ใหม่เขามาตั้งทับไปสองฝ่าทางแล้วก็ไปบินทบาตบ้านนี้แหละที่เขามาอยู่ต้องมันสี่ห้าลังคาเรือนไปับเขาพอบินบินธ บ, บาตก็ เนี่ยทางไปนี่เขามาตั้งทัพไว้ข้างข้างทาง ๆ, างๆ เ, เพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรอะไรเลยอ่ะเขาพิ่งย้ายมาอยู่มาตั้งทับกันเร <c oughs> บินตบาทไปทางโน้นทางโน้นกลับมาพอมาถึงบ้านสุดท้ายนี่อิจาคนหนึ่งถึงใจเรามือนกันนะอืมว่าไปยังไงเรบินตบาตได้อะไรบ้างไหมละ่ะไหนขอดูบาทว่าปุปปับมาดูบาท วายตายค้นทันทีเลยล้อมกุ้ทชายกนร้านลายเข้ากับสองสามปั้นหแล้วไม่เีอหารจากิ้นหนึ่งวันเลยทำไมรีบยเดี๋ยวโอ้ยไล่ลูกไล่หลานนั้นเอาสูจัดการตำพิษอะไรเดี๋ยวนี้ว่างใจเป็นคนควบคุมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ครกมันก็อยู่นี่ทับเขาก็อยู่นี่ทางทางหมกป่าไปนังตาม่นไป ไปกันปุ๊บปั๊บปั๊บแกก็จัดนั่นจัดนี่ใส่นั่นเนี้ฟาดเอาปลาดิบมาใส่มันก็เห็นอยู aja, 哈哈哈่นี่ไปตักอะไในปลาคือไปตักปลาในในไห้นั่นแะแ่ก็ไปตักปุ๊บปั๊บปุ๊บใส่เตาอกโอ้ยกูแล้วอะไรเรคือเราเอาน้ำใจเ้าใจไหมเราก็ยืนอยู่นั่นะน่พอตักปุ๊บปั๊บใส่แล้วห่อปุ๊บปั๊บันใส่มาพบเมื่อก็อย่างนี้ว่าไข่ขั่วหน่อยเหมือนว่า นี่กินแต่ข้าวเปล่ามันได้เรื่องอะไรเออผู้เท่าดีใจมากนะไปแล้วเราก็รู้แล้วพอไปถึงตำก็ออกวางก็ไม่เห็นอยู่นี่ปลาดิบอืมตักใส่ผสมกับพริกกับอะไรเรียกว่าตําแก้วปลาดิบใจแล้วก็ออกไปวางแล้วก็ไม่กินก็กินข้าวเปล่าเลยนะเอาหัวใจคนเข้าใจไ้ยเอาน้ําใจแต่นั่นละขุดแต่นั่นไม่จำจำทุกคนนะับพันเนนเรา นี่เราพูดเอกเทศเท่า น, น, นั้นเนี่ยที่ผ่านมาอย่างนี้แท้ทั้งนั้นทั้งนั้นนะก่อนที่จะทํามาสอนที่น้องทั้งหลายนี่นะแล้วไม่ได้มาแบบเหลือเฟือนนะแบบ <c oughs> แบบรอดเป็นลอดตายสมบุกสมบันที่สุดเลยจึงกล้าพูดได้ทุกอย่างความเพียงนี่มันพูดยากนะพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อเนี่ยแต่เรามันทาอย่างนั้นจะใครวางอะไรเอาละพอเดี๋ยวผ้าหิวข้าวจะมาโจมตีเราอีก คุณนิงเนี่ยทองคำได้ยี่หกบาทึ้นแล่าเงียบเนี่ยี่กครับผมอเป็นยี่หกบาทวานนี้อ่านอตอนเดือนเดือนได้ไม่กี่บาทเรื่องมากขึ้นทองคำวันที่ที่เอ็ดวันที่ที่เอ็ดวานนี้นะ วันที่18บาน <c oughs> ทองคาได้26บาท26ตามดอลลาร์ได้100 1 5 5ดอลลาร์วานเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ขึ้นทุวันได้ทุวันมัน <c oughs> นไม่มีลงมันม่จตขึ้นเลยเนี่ยว่าวานก็ตั้งได้ทั้ง26บาทเฮ้ยเฮ้ อเมริกาเลยแต่เราไม่ฝากดอนล่าเพิมหมอแล้วเิอานนันแหละนั่นได้ดอนลามาจากอเมริกามาฝากอย่างถูกางนั้นถูกตั้งดีแต่ดอนล่ามาฝากจากอเมริกาอยู่กัดอนล่าตั้งตั้งรอยนี่นนครับก็ร้อ่อยใช่ไหม่งรครับผมว่านั่นหละหนึ่งรอของเล่มอะไร หนึ่งร้อดอลลาร์นี่มันเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ฮะโอ้นั่นนะสี่พันเดี๋ยวนี้มันยืนอยู่สี 4, ่สามบาทกว่านะนี่ยืนมานานแล้วนะทีแรกทีเราทีเร้องโ ก, กท้ทีแรกมันขึ้นถึงถึง 5-6 บาทใช่ไหมครับผมห6าสิบตอนที่ร้องโก้ทุกอย่าง จากนั้นก็ขึ้นเวทีเลยเพระาะพรฒนาหลายเรื่องหลายราว <c oughs> ติดนี้ติดสินอะไรแต่อะไรรวมกันแล้วก็ <c oughs> ดอลล่าร์เขาเหยียบเราจะต้งเท่าไหร่พอ้ี่มันพวกเรามันไม่ได้มีเมืองไทยมันเ น, นขาดบาทขาดได้เต็มเพียงห้าจี่างนี่หนาว่ะมันขาดมากกว่านั้นนี่ห้าสิบหกบาทห้าบหกบาทกว่าต่อดอลล์เขาี่ว่าไงวะ่ะ มืองไทยแล้วมันยังไม่เหลือห้าหิบตามนันี่ยทาไงกันเนี่ยวะนั่นแหละเรื่องราวมันนะที่มันจะเริ่มนะอะไรหยียบเข้าเหี่ยวเข้าเหยียบ เ, เ, เข้าอย่างไรกันนี่มันมีแต่ความเดือดร้อนทุกทุกแห่งทุกผลได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมงพังเรื่องอะไรๆไมีแต่ผลรบผลรบเนี่ยที่เสร็จที่จะให้กระเทือนใจมากนะ มันก็มาดอลลานเนี่ยสำคัญจะติดหนี้เขาเพราะนั้นลูกจิตเขามาเล่าให้ฟังคือเขาไปเอารายละเอียดมาเมืองไทยเราทั้งหมดคนหกสิบสองล้านคนติดหนี้เขาคนละเท่านั้นเท่านั้นนี่ก็กระเทือนมากแตแต่นั้นก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดบาทก็ดอนไปอยู่แล้ว <c oughs> มันมันเป็นยังไงวะมัน มันอยู่ได้กินได้ยังไงกหนพวกเรานี่นะวะ <c oughs> มันอดกินมาได้นะจถึงขนาดร้องโกกว่ะเราหวนมาก็ไม่เคยสะดวกใจแรงอย่างนั้นถึงขนาดร้องโกกสะดวกใจแรงนะ เออทำไงนี่อยู่กันยักินกันยังไงนี่วะในมีอะไรคิดอ่านหรือไมจะพาให้จมกันทั้งนั้นเดี๋ยวนียวะจากนั้นก็เรื่องเรื่อยว่ะต่อไปอืประถมมาเรื่องก็คือสันติคนสันติเลครับผมเออสันติกำลังร้โกลกนยังไงกันนี้นีพอดูคนสันติ ก็ <c oughs> เอ า, า, า 2, ดอนร่นามาสองันห้าร้อยดอนเรานิจาได้มาเลยนี่จะจะถมเรอบที่เราจะได้ก้าวออกด้วยพี่น้องชาวไทยเราเพราะกําลังหมุนติวติล้อมโกโก้หมดแล้วหาทางออกว่าแรพอดีสองพันห้าร้อยดอนนี่ก็มาเปิดประตูให้กับขิงออกนี้เอารา้ที่นีนามะเพราะเรื่องด่านนี้ต่อไป เราจะพาพี ian, ่น <test> ้องหลายช่วยสรางอันนี้เป็นบสมมาเรือยสองพัน้ารอยอนว่างั้นเลยอ่ะหงนั้นก็ประกาศเลยเริ่มตั้งแต่บรวทุกท่างบบนี้แล้วตอนนี้ดองยามันน่าห้าล้านกว่าๆกว่าแล้วนะมันน่าจะถึงหกล้านมั้วนชวนหกล้านมาหรือขึ้งก็ไม่ว่า ก็พูดเพเสไม่อยู่บัญชีอ่าปกที่ออกไปกุ้งแคบเมือนั่ก็มันก็ได้ล้างแล้วสมไหมล่ะครับผมคือทุกงานเข้าม่แล้รอทุนหครับครัอได้ล้าก่อนอืมแต่นั่งมมันก็ได้เรื่อยเรื่อยอยู่อย่างี้มันมากมันก็ได้อยู่เรื่อยยังนี้อยังหน่้ยแต่คืยมันก็รอแล้วนี่มันก็ได้่ทุกวันทุกวัน มึงคือคือเข้าแล้วคือเข้าไปไปแล้วมันเท่าไ <5, 000, S 2> รช่อหา้านสองแสน0 0็ดนนอลลาร์ห้าล้านสองแสเจดดันดอลลาร์ห้าล้านสองแสเออเงื่อนหมายคืเข้าไปทั้งหมด อ, อไปไปไป่าไม่ใช่เชื่อจังงงไปว่าจะเอาเข้ายู่ไม่ได้น้ำนง้่อเหรทุกอย่างเช็่ข่าวนี่ยังไม่ยังไม่เข้า้อง่าชะงกักซาก่อนน้า ห้าล้านสองแสนเจ็ดงับอันนี้รวยเหรอไม่เหรอไม่นงับตรงจับนญชีที่เราเข้าเข้าฝากที่เข้าใจว่ามอบแล้วเหรอไม่ครั้งแรกมันมันมันล้านกว่าแล้วครั้งที่สองที่ที่ไปมอบใหญ่สามล้านสามล้านสามล้านก็ครั้งแรกล้านล้านล้านสองแสนเจ็ดห่พันล้วก็ครั้งหลังก็สามล้านก็ รวม4ล้าน2 7 8 0 0และอันใหม่ถ้าที่ยังไม่เข้า1ล้านที่ลงตัวอ่าที่ที่เอาไปแตที่นี้ควรเข้าเพาเข้ามันยังไม่ควรเข้าก็ต้องรออีกไม่กี่ล้านยะประมาณล้านประมาณรล้านแล้วก็เป็นประมาณห้าล้านแล้วเท่าเนยครับผมหล้านถือห้าครับาล้านแล้วเื่องงายเราก็ได้ถึง ถึงห้าร่างแล้วเลยห้าร่าก็ต้องที่ที่เ่อยังไม่ทราบเนี่ยตอนแรกที่เข้าไปก็เข้าไปอยู่นั่งที่รอรออยู่นี่อะไรๆเข้าไปไปราอยู่ปากข้อถ้าเราเข้าข้ากับใครก็ใครออกเองง่ายนะ อเราสรุปส no ั้งได้นะเมืองไทแล้วทำไมจึงผู้ใหญ่ผู้กปนให่เป็นโตจึงเป็นใหญ่เป็นโตทังยักษ์ทางผีจั้งชาติบ้านเมืองมันยังไม้มันหัวใจมันเป็นยังไงเราดัถามบ้างนะอืหนึกถามแยกก็ไม่รู้นะพอเราถามไปทำทางอากาศเสียไม่ถามต่อกบปากกับปากันน้อยพูดกัน เขาจักข่าวไม่ใช่ไะมอะมันใจจิตใจจางนะป่ะโอ้จิตใจนี่สกรปร ก, กมากนะอืม <c oughs> ได้มาเท่าไหร่ก็ได้ทํามากวดก็ามาขวดเข้ามาได้เท่าไหร่ไม่พอนี่จะความรบมันมจะความอดาบได้ตื่นตื่นทุกอย่างได้เท่าไหร่ยิ่งเปนบ้าได้อําอนาจอํานาจจงหน้าด้านเออนั่นคือลึกจริงๆนะ เรื่องที่เหลือนี่มันเข้าทางไหนมันไม่มีอายใครนะอใครจะทำหนี้กี่เจรอะไรก็ตามมันจะไม่ตอบไม่โต้นะพ่วงหน้าด้านพวกเฉียดยากที่สุดพ อ, อพูดถึงเรื่องยมบาลเราก็สงสัยเลยยมบาลจะรับเข้าบัญชีหเปล่าก็ไม่รู้นะอถ้าเวลาเป็นยมบาลนี่ ป, ปัดอ อ, อบนอดบัญชีไปลงมาน้ําโขงเลยแม่มันเข้าบัญชีนรกหรอกนะ มันจะไปตีพวกนักสัมมโกแตกด้วยกันอีกมันอยู่มันอยู่ในมนุษย์อยู่ในเมืองไทยแล้วมันก็ตีเมืองไทยมันรังเ ม, องมองืงมองไทยชัดตกเวลานี้ด้วยอำนาจทางความรู้ความเห็นจะได้ด้วยอานาจบ้ารยตบ้าอํานาจจมลืมตัวนะเป็นบ้าอํนานาจครังฤดูที่ดูเมืองไทยแล้วดูที่ไหนพวกบ้าอํนานาจนี้ต้งลืมเนื้อลืมตัวลืมคนทั้งประเทศอืม มันรู้เนื้อรู้ตัวมาไหร่บ้าอำนาจเ้ราะเราพูแล้วทนสั่เบ็ดนะมันทำไมมันถึงหนาวนั่งหนามมนุูย์เราได้เพออะไทไม่้าได้มฟ้าแล้วบ้านเมืองก็จะจมลงตกลงไม่มองดูใครเลย แมันจะปุงก็ของปุงก็ของตลอดเวลาเราพูดในเงนี้เพูดเรื่ความกรดตือสังเวชจริงเราไ ม, ไไมไ่พูดธรรมดาเพราะการแนะนําต่างสอนดูดาว่ากล่าวตั้งอยู่จริงใครก็ตามเราไม่มีเรื่องที่จะวิวาวจารณ์เบี่ยงเขวดแค่ให้ผู้ใดเลยเราพูดตามหลักความจริงเรื่องผิดเรื่องสูกเรื่องบุคคลเรื่องสัตว์ที่ผิดที่ถูกแม้สมัยนั่งแจกันเรานั่งตกนั่งตีมันว่า มีคนมันใช่รังแต่กันนั่นเนี่ยมันบีบมันรังคับกันหน้าต่างด่งใครจะตำหนี จ, จีนเจียงจะออกทางชุบพงทุบพิมอะไรออกออกไปเถอะมันจะจะโค่นชนะด้วยซ้าไปว่าให้สุออกยกออกข้อสูออกมาออกยกพิมประกาศความไม่ดีของกูตาหนีเจียงกูให้สุยกข้อสุมาตามําหนีกูไม่ฟังสู้ละกูจะเืนสู้ท่าเดียวมันไปงั้นนะเดี๋ยวนี้นะ อพูมีมจะตะเกินข้าเดียวกูไม่ฟังเสียงใครจะตำหนิเจเจอะไรมันไม่ได้ประจวบอะไรนะืออนังคือพิมออกทางนั้นออกเนี่ยตำหนิแล้วงั้นตะห น, น, น, นินี่เขาเฉยพวกไปพวกผือพวกมหภาภัยต่อชาติบ้านเมืองนี่เฉยนะแต่มือมันไม่ถอยนะอืมมันกว่ามันการมันกว่าธรรมตะตลอดๆมันควานอยู่ชั้งใต้ดินเหนือดินพวกไปพวกถือเนี่นะม มันคงเริ่มเมื่อไหร่้่ะถ้าไทยเรามันจะจมได้เพราะพวกนี้อ่อพวกนรกแต่เลยนะเพราะพวกคุณเจ้าก็กระสัเวีมากเลยนะแต่เราตัวท่องหนูก็โอทูอสังเวีมาอะไรนะอืมเพราะสิ่งสิที่จะรับกันมันมีบาปมีบุญมีนั่นอ้พูดชื่อไม่มองบาปมองบุญอชื่สิมันจะมันจัก ประโดนเอาตรงชื่อมันไม่มองน่ะ่นั้นไม่อยู่มนสว่รค์ธรรมธาอง์เ อ, เอิบนับพระพุทธเจ้านับได้จบสิ้นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะที่มาอุบัติในโอกนี้นี่คือเป็นความจริงเรียกว่าร้านเปอเซนต์ไปเลย ไม่มีบกพ่องแม้จะมิสืแม่ทราย <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าจัดสรูจัตสรุ 1, 2, 3, 4, ้หนึ่งสองสามสี่ห้ามาตั้งแต่กับไหนกันไดจงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนวเท่าไหร่ยังบอกได้ว่าเอาน้ำมหาสมุทรมานับเป็นหยดหยดหนึ่งเท่ากับพุเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราสามารถนับดูดน้าในมหาสมุทรได้ไมอ่ะ ขเขาเชื่อความตรงนี้เองชื่ออื่นมันเชื่อไม่ได้เพระพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรูนใ น, นสามเดือนแล้วก็ทราบคูณยังไงก็มาตัดสรูนในแดนมนุษย์เหล่านี้แหละรวมแล้วนะ <c oughs> มือมากยิ่งกว่าน้ํามหาสมุทรแล้วหยดน้ำมหาสมุทรใครจะไปนับได้ไหมหยดน้ำมหามุแต่แล้วห ย, ยดเท่ากับพระุทธเจ้าแต่และพระ อ, องค์พระ อ, องค์ที่มาตัดสรูเนี่ยสอนโลก เป็นเป็นธรรมยืนยันมาพร้อมเลยนะพระพุทธเจ้าทุกสวงยืนยันความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนโลกว่าบาปมีบุญมีในรกสวรรค์มีพรในโลกตลอดเกวียนสีสาะเพศต่างๆศัตรูทั้งหลายอยู่ด้วยอานาจแห่งกรรมของตัวปีติแะชั่วตามหน้า่างก ร, รมขัวนีสสานแอบเดียวกันหมดเห็นอย่างเดียวกันหมดตัดสรู้นี้ทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตัดสรู้สิ่ ง, งนี้คือตัดสรู้คือรู้สิ่งที่รู้ ท, ร ท, รที่มีอยู่ทั้งหลายน่ย ไม่ใช่มาแบบพูดแบบงู ป, าปาลารวมๆแ ล, ล, ล, ล, ล, ล้งแล้วนะพระพุทธเจ้าทุกอ้วงเชื่อว่าเท่ากับหยดน้ำในมหาสมุทรมากไหมพระพุทธเจ้าน้ำในมหาสมุทรยังน้อยไปนะแต่เอาอะไรมาเทียบไม่ได้เทียบได้เพียงมหาสมุทรพอใกล้เทียงกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาอุบัติในโลกชาตินี้เฉพาะรวมแล้วเรียวกว่ามาแดนมนุษย์พระพุทธเจ้ามาตรัสสรุปแดนมนุษย์ทั้งนั้น่ะ <c oughs> นี่นับที่หนึ่งสองสามไปเท่ากับเรานับยศนับโดดน้ำน้ำมหาสมุทรนับได้ไหมใครจะมานับใครจะกล้าหาญไปนับนั่นเราจะนับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์สององค์องค์แบบเดียวกันยังมากขึ่งกว่าน้ําำมหาสมุทรอีกยังไงถึงว่าอย่างนั้ีดกับกี่กันใครรู้ต้นรู้ปลายของตับกันนี่มาไหนอุบักว่ารณ์ตลอดตลอดเป็นธรรมชาติที่ เป็นเครื่องธาตุเป like. ็นเครื hmm. People, like ah mm ่องต้านทานกันมาตลอดโดยรับธรมชาติเหมือนกันเพราะกิเลสก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งกิเลสก็เป็นเป็นนามธรรมธรรมก็เป็นนามธรรมกิเลสเป็นนามธรรมเป็นข้าศึกจัตุตัดสาโลกธรรมเป็นนามธรรมเป็นเครื่องต้านกลางต้านทานกันไว้กันไว้กันไว้ตลอดมาจึอพอคป็พอไปมันไม่ได้ทิหายแรกพทั้ทีเดียวเลย ถ้ามีแะ่คิดและแลกหมดไม่มีความหมายเลยจะไม่มีทำต้านทานเอาไว้อืประเมอนอย่างจะเข้าโรงพยาบาลผู้หายออกมาก็หายผู้ตายก็ยอมรับว่าตายแต่ผู้หายก็หายออกมาได้ถ้าไม่มีหมอไมียาเลยนั่นเข้าไปมีแต่ตายเท่านั้นอืมที่จะฟื้น่รู้สึกว่ามีน้อยมากมันไม่มีแล้วอืมนอกจากเป็นหลักเป็นไออย่างนี้ตั้งแต่ หมาไอบุกี้บุกี้แล้วมันก็มันก็จามมันก็ไออันนี้ไม่ว่านะเอโรคที่ควรแกย่ยากับหมอที่จะต้องรักษากันคือค อ, คอืคือโรคของสายโรคอันนี้โรคภายในใจิตใจได้แก่ที่เดือดรัอหานี่เป็นโรครุนแรงไม่ใช่โรคหวัดนะนี่นนะเยอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละ ถ, ถ้าถ้าไม่มีหมอไม่มีโรงไม่ ม, มียาแล้ว ม, มีจะตายก็กันเท่านั้นไม่มีวันฟื้นได้เลยโรคประเภมีต้องอาศัยหมออาศัยยาไม่มีหมอมียาให้มันหายเฉยเป็นม่หายโรคประเภทนี้เนะี่ยจะหายด้วยหมอด้วยยาทำเป็นโรคที่มันรุนแรงไม่ไม่ยอมฟังหมอฟังยายเลยนี่ก็โรคค ล, ลุเรียกว่าหามหามโงายงถือไปพร้อมเลยจะเข้าโรงพยาบาลก็ข่านแต่ทานั้นก็เข้าโรงถือกุศราธรรมาเนี่ย ไอ้เปไอ้ผีตัวนี้กินบ้านกินเมืองมาก ๆ, ๆนี่ตายแล้วมันไปไหนหนามันจะไปไหนมันกล็ลงนรกกันเลยใครได้ยินที่ไหนในคำสีไหนบอกว่าพวกที่สร้างบาปสร้างกรรมมั่งม้างี้ไปสวรรค์ไปนินพพานเราไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนจัดไว้นะเราก็นํา ม, มาพูดตามแบบพระพุทธเจ้าที่จัดไว้อมีแต่คนทํทาดีเท่านั้นไปสวรรค์นิพพานได้นอกนั้นไม่มีนะแล้วผู้เจ้าสร้างบาปสร้างกรรมไปสวรรควนพานยิ่งแล้วเลยไม่มี ยังไม่ทีแม่สายก็น่เนี่ยสว่าไงมันจะไปไหนก็ต้องบอกผมมันก็ไปอย่างนั้นซึ่ตามธรรมที่เจ้าสอนสนี่เนี่ยเนี่ยเรื่องของเกลียดมันมีมากเนะมันเอาให้มันเจ้าของไม่รู้นื้รู้ตัวเลยนะอืึจิตใจมันเุ่งเพื่อมันไสออกไปเพื่อโลกก็จะให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจเรื่อยไม่ให้ได้อย่างใจพอตายแล้วไปนี่ผงอะไรนั่นได้อย่างใจไหมอันนั่นใจต้องการไหม ไม่จะต้องการแต่มันเป็นยังไงผนข อ, องมันที่ทาชั่วเอ็นเองกับใครไหมความชั่วเห็นไหมนั่นว่างนั่นเลยอืมเวราพูดแล้วพูดด้วยความาสำเ็จสัมฤทธิ์ลราปฏิบัติทำมาอืมเป็นเวลาทั้งศพสิบปีกว่าแล้วนะอืมเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีมาพูดมันชัดตรง น, นี้แหละมาเปิดที่น้องกระหว่างเพรามันตัวจะตายแล้วอย่เรา เออให้ฟังนี้มันจะเปิดด้วยความโอ้อวดไม่ดิีเม็สายเราไม่มีมีแต่ความเมตตาล้วนที่แสดงออกมาจะเชื่อเราไปเชื่อฟังเนื้อฟังหูเราเป็นหูประเภทใดถามหูเราอีกทีถามใจเราอีกทำนี่เป็นพระเภทเลิกทั้งนั้นแหละแล้วหูเราไม่เป็นหูประเภทใดเอาไปวัดกันดูที่ถ้ามันพอจะพัดจะเบี่ยงเฉพาะเข้ากับแรกก็ทําให้ฟังให้นำไปพื้ปฏิบัติให้รีบแก้ไขและเปลี่ยนตัวเองถ้าไม่อยากจมทุกขสดร้อนๆนี่นะจมแน่ๆนะ พวกที่เก่งๆนเนี่ยมันจมอยู่ภายในใจมันแล้วเป็นฟืนเป็นไฟทั้งวันทั้งคืนบางคืนมันนอนไม่หลับพวกนี้นะเอาพูดทำมันชัดๆอย่างนี้ะว่ะทำนี่ปิดบางที่ไหนวะมันจ้ายตลอดเวลาเนี่ยใครจะทุกข์มากยิ่งกว่าพวกนี้วะพวกที่โลภมากอวดอํานาจวาฒนาอวดว่าดีมันไม่มีอะไรจะดีแต่มาอวดว่าดีว่าดีว่าเก่งกล้าสามารถยิกโลกพวกนี้นะพวกไฟเผาหัว อ, อกมันตลอดเวลาบางคืนมันไม่หลับมันจะตาย และเมอเพ้าฝันไปนะนี่มันบอกแล้วลางของนรกอวจีมันบอกอยู่แล้วมันนั้ว่ายอมมันฟังเสียงยังสั่งสมพักฝืนไฟมาเผาเขาผีจะเอาให้มันได้สมใจความสมใจมันเวลาลงไปแล้วมันสมใจไหมล่ะนั่นอันเนี้ที่น่าสลดสังเม่มากนะเราได้ปฏิบัติมาเต็มําลังความสามารถเรื่องบาปเรื่องบุญเรายอมรับท่าน็ีตายก็ตายไปเลยที่ว่าบาปไม่บุญไม่มีเรารับไม่ได้ว่างกันเถอะมีแต่บาปมีบุญบีต ล, ลอด พระพุทธเจ้าอย่างราบใครจะเอาค่าเอาคอไปตัดตัดมีห้าคอให้ตัดแต่เรื่องที่จะปฏิเสธบาปบุญไม่มีนรกสรบัติไม่มีนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยเราตายไปเลยทีเดียวเราไม่เสียดายเพราะความจัดความจริงที่เห็นประจับในหัวใจนี่มันจับประจักอยู่แล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรพระพุทธเจ้าประจับทั้งนั้นจะมาสอนโลกมาหลอกโลกเมกื่อไหร่เมื่อปฏิวัติตามเพื่อตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่รู้กงที่สอนไว้จะไปรู้ตรงไหน เมื่อรู้แล้วมันจะปฏิเสธกันได้ยังไงยังเลิกพวกเรานั่งอยู่บนชลาเวลานี้เป็นยังไงคนมีมากมีน้อยมองเห็นกันอยู่เนี้ยปฏิเสธกันได้ไหมว่าชลาหลังนี้ไม่มีคนปฏิเสธได้ไหมเนี่ยมันจะเห็นกันท่านอยู่งั้นผู้ทีเจ้าทั้งหลายท่านตาในถ้ามันเลยตาฝ้าตาฟางตาบอดหูหนวกอย่างตาพวกเราตาพผู้ทีเจ้าทุกส่วนไม่เป็นเหมือนตาเราตานอกอย่างนี้ก็มีตาเหมือนเรานี่ก็เห็นอ้าวทางรูปทางเสียงทางตลิ่นทางรสอะไรสัมผัสสัมผัสในขันของท่าน ในพระขันของท่านขันของท่านนีท่านก็รู้ก็ทราบเหมือนเราแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยคือนั่นละพยานอย่างทราบพยานอย่างทราบในจิตที่สว่างกระจ่างแจ้มของพระเจ้าทุกโลกองค์เนี่ยอย่างทราบวันนี้เราไม่เห็นท่านเห็นหมดจะพูดถึงเรื่องเปลี่ยนเรื่องผีเรก่เหล่านี้ท่านไม่ได้เอาตาเนื้อมาพูดนี่นะท่านเอาตาใจมาพูดตาศาสนาเป็นตาใจตาสว่างกระจ่างแจ้มมาสอนโลกนี่นะท่าไม่แล้วตาบอดหูหนวกมาสอนพวกเรา ฉลอพวเราฉลองตัวเองมันก็ไม่ได้หรือ ว, ว่าไงนี่ท่านตาพุทธเจ้าทํานไ ม, ม่เหมือนตาพวกเรานี่แหะเป็นจันกได้อีกคนทำนี่เลยเป็นเครื่องต้านทานกันไว้ออพอเป็นสัตว์เป็นมคลอยู่บ้างไม่จมได้ยอย่างไม่มีความหมายเลยนี่ก็เพราะมีทำเป็นเครื่องต้านทานกันมีมาตั้งกับตั้งการที่เรียกเป็นนามธรรมทำก็เป็นนามธรรมเป็นเครื่องต้านทานกันเหมือนกับโรคกับยานั่นเองกับหมอแก้ไขกันหมอก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ ยาก็คือทําไมโอสซนั่นเองเอามาแก้โรคภัยโรคภัยคือกิเลสเป็นตัวโรคโรคมันสาคัญมากคือตัวกิเลสโรคเรื้อลังโรคตั้งกับตั้งการตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดถ้ามันมียากับหมอเข้าไปแก้ไขแล้วไม่มีวันสิ้นสุดและเบาบางรูได้บ้างเลยนะเนี่ยให้พากันฟังนะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราสอนโรคเราสอนเนี่ยสุดหยั่งจริงนะและไม่ได้มาสอนในตังใน ต, ติเตียนผู้ใดด้วยโทษ ด, ด้วยกรรมแบบกิเลสตัญหาเครียดแช่ให้กันนะไม่มี ผิดก็บอกว่าผิดตามที่มันผิดแต่ไม่ไปเกาะ ไ, ไปติดกมันไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปยึดไปเกาะมันสอนตามเรื่องตามราวมันเป็นยังไงก็ให้ปฏิบัติตามนั้นถ้าเราเป็นลูกผิดมีครูหาที่ยึดที่เกาะ อ, อันใดเป็นที่ยึดที่เกาะให้รีบเกาะนะเวลายังมีชีวิตอยู่ให้รีบเกาะถ้าตั้งแต่วนันนี้ตายแล้วที่นีมนรคพระมกุศลธรรมา ถ้ามันมีมนมาหลวงตาที่ฟาดน้ําข่ามันดันตีเวลากูสอนถูจนจะตายสูยังไม่สอนเลยกูไมีแต่จะโดดลงแต่แค่90กูโดดลงแล้วเหมือนหลวงตาคูเนี่ยกูไม่ไปละถึงร้อยสี่สกับสูนั่นแะกูกสูเพรสี่สิบกับร้อกสิบกูไม่ไปด้วยละกูจะโดดลงตั้งแต่90สิจะว่างั้นสมั้งนิมนกูไปกูสลาหาอะไรกูลงตั้งแต่90้าสิันกูสลากูจะไปตามถูได้ยังไงถูไปใส่กูก็ไปสูสิแตจะว่างั้นน่ะฟันหลวงตาบัวเขาใจไหมล่ะ นี่จึงบอกไว้นะนี่ลงตะบวดีไม่ดีจะไม่ถึง90 85้าอาจจะโดดลงก่อนลงกพกคูนแล้วพวกนี้หกสิทุกสูเก่งสูไปนะพวกอยู่ใต้ฉุนตรานี่สู้เก่งให้สู้ไปกูไม่เก่งกูจะลงจะ85เข้าใจไหมอืมสูเหวี่ยงคันเล่งไปเลี่ยงเอาในรถอาไว้ชีนะสู้จะเก่งกว่าพูดไทยเจ้านะอ่ถ้าถ้าถ้าเก่งกว่าพูดเจ้าจะต่อมกันทั้งนั้นทั้งนั้นเลย ไม่มีใครฟืน้นถ้าใครมีหูมีตาคิดบ้างในสอความเป็นมนุษย์เรียนรู้การฝึกจะให้รีบแก้ไขจะแปลงตยนเนียงแก่ตั้งแต่บัด น, นี้แก้ได้เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าตายแล้วไม่มีความหมายแล้วยาอวดนะอวดพระพุทธเจ้านะศาสนาเป็นเอกไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าศาสนาในสามเดียวก็ท่านนี้ทำเท่านั้นเป็นทันเ้เลิศพุทธเจ้านั่มทำออกมาสอนโลกจึงเป็นธรรมเลิศศาสนาองค์เอกอนเนิศมาสอนพวกเราทำไมพวกเรามันจะเลวสุดยอดเียิญหรือเข้ากันมาได้บ้างหลือกับทำพุทธเจ้านะั้นนะ พากันพิร่พิจารณานะอะละวันนี้พูดทาไมพูดไปเหน่อยแล้วเร่างนี้แหละว่าทำไมพูดมันก็ทำเลยพูดอยู่นี้เนี่ยเนี่ยก็ูนี่ซูนีแปดึห้าสิรอยสี่รหิหลวงพ่อฟูนมาจนได้แหละเดี๋ไงหลวงพ่ออุ่นเป็นกติดีไหมโอ้เข้าท่าดีนะหลวงพ่อฟูนเป็นกติดีวะเราจึงเอานำมาเป็นกติเสมอผู้เจ้าพูดเอง นี่ลยแล้วหนายอ้มันมันน่าพลันจีนนะไอ้ได้เห็นดูสินะฉลบท์ะว่าไงวะ่านรโกมีเลยมีเอาตุงแขมไปดูไปยังไงโอ้ยลบเลยนะคี่แรกมันกล้าหาญว่าบอกไม่มีมันจะลบหมดเลยพอจุงแขมไปไม่มีจริงเหรอจุงแขนไปดูไปดูพระเจ้าท่านขอทเอ ฉลบกไปเลยนะลี้ที่มาเนี่ยให้ทําบาปแล้วไม่ทบาบําบาปจะฆ่านี่ฆ่าตายเลยขนาดนั้นนะคือเช็ตขนาดไหนนะที่จะให้ไปทำอีกไม่ได้แล้วก็เห็นแล้ว น, ะนั่นนี่แหละขนาดนั้นะผู้ดีวสอนโลกเด็ดขนาดนั้นนะเราจะมาฟังแบบแบบที่ว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวนะ ไป่าดร้อหกสิแล้วลไปลงคลองล้มตาคุณไม่ไปรับรองนะ่าจะบอกนะเข้าใจไหมลวงตาคุณคือพระพุทธเจ้านี่แหละล้มท่านท่านจะปล่อยเลยแล้วท่านก็จะบอกว่ากูตาาคตลงตั้งแต่สามสิบห้าน่นจะว่ า, างั้นสูญยังเหยียบร้อยเก้าสิบได้อยู่เหรอก็จะว่ า, างั้นล่ะสูจากตายจะพากันไปหมดโคตรสูญ น, นะจะว่ า, างั้นพระพุทธเจ้าท่านกระโดดลงไปแล้วตั้งแต่สามสิบห้าลวงตาบัวยังบินไปอีก 8ปดจห้าเข้าใจไหมว่าเก่งข้าวเจ้าจะมาเรียวเจ้ารู้ไหมล่ะาวเจ้าดึงไม่ขึ้นแลยังไปยังไปดึงอยู่มันลเต่งอวีเ่งาวเจ้าเขเข้าใจไหมฟาดถึง8ปจหเอาละให้พรอเดี๋ยวผมจะกล้าชิบเข้าไปลยากถาวาทูว่าราไปวแรงตอดากะรัง เอวะเมวะอิโชทินนางเปตานังอุปกปพติอิทิตั้งปฏิตังตุมหังคิโปเมวะสมิจตุโสะเเพปูเรนโตสังกปาจานโทพนละระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพีติโยอวิวัจฉังตุสัพปโรโควินาสตุมาแเตภวัตมันตารโย สุขีทีฆาโยโกคะวะอภิวาทนาีริสนิจังวุทาปชายีโนจตารโรธรรมาวาทานตตหายุวันโนสุขังภาลัง มันจะพอกรทวนหือมัมสิประมาณมมันเตือนนี่นะเนี่ยท่มันมันเตือนทําไหนพอพูดไปพูดไปพอยิ่งพูดล่งอะไรมันก็ท้อนะท้อนกลับมาเดี๋ยวนี้ก็ยิยิยพอยึยิก็บิันมันเตือนแล้ว่หัวใจเตือนนี่อะไรอออกแล้วที่แล้วที้อาจาร์ว่านยังฮะอัันลา บ้านสาราวัดป า, า, าบ้านชาลาพระบังชาอภิปัญโยน้อมถวายทองคำทั้งหมดแปบาทพร้อมปัจจยัยสามพนสองรยสี่ิบาทโมทนารถเงนนะวัดสาราอยู่อำเภอไหนจังหวัดอะหนองานตบลนานโอ้บ้านสารานี่อรพอใจ พอใจมึอยู่ด้วยกันเนาะเออเอาละเอ้าไม่ต้องกลับอีกไปเลยไปว่าแล้วไปเลยเราได้ทองคํำเราไม่เอาอะไรลการไม่กลับแล้วก็ไม่เอาเราเราได้ทองคำเราเราพอใจแล้วเราได้ทองคําแล้วพอใจแล้วการไม่กลับมันอะไรไปเลยยิ่งไปหาทองคํามันยิ่งดีใหญ่เลยเอาละนี่เนี่ยนี่เราช้อนทุกวันนะภาวนาเข้าใจไหม่ะ ให้ภาวนาอย่างที่สอนทุวนันนะยาผ้าจากนั่นนันนี่เป็นขี่สายตัวนอกนั้นเป็นอันตรายจําไว้ให้ดีนะตรงไหนที่สันสอนว่าให้อยู่นั่นสมมติวันทั้งมันเผลอไปให้ป่วนเปียกๆอยู่ในบงข้อจะให้ออกนอกข้อนะข้าออกนอกข้อแล้วตายนะหันเสียงไม่ทันเข้าใจั้มเขาพวกหันหอมกับเสียงไม่ทันอ่ไอ้เสียงกับหันไม่ทันหันหอมกับเสียงไม่ทันเดี๋ยวมันมันจะ มันไปขึ้นทะเลหลวงก่อนลงทะเลหลวงก่อนผู้ใจไหมอ่ะตั้งใจบริุบันะสอนอะไรสอนถึงเราทงสารนะอ๋อรอยะเวลาเกดาริโกโรโกโซย่ น, น, นะเอานี่นี่ก็เป็นขวดยาฟิษโคนะเข้าใจไหมกุโพกินหลงข้าวพุโคลอะรอย่างเงี้ยใช่ไหมไนแค่ขวดยาที่ อ, อยาพุทโธพุทโธธรมโมสังโฆนี่มันเป็นอาจารย์ของนี้ให้สอนกันให้ฟังเสียงนะ<ม>เขา<ม>้าใจไหมให้ฟังเสียงกัน Ken เข้าใจไหมเวลาเตือนอะไรลให้ฟังเสียงถ้าไม่ฟังไม่ได้นะเข้าใจเอาละนี่จะให้อาจารย์นะ่นี่อาจารย์เป็ น, น <laughs> าาผู้ใหญ่ต้องให้ใหญ่กว่า <laughs> อ๋อไปอืมเอ า, อา อันนี้ไปทำปากน้ำเนี่ยไปเลยไปทำปากน้าปากน้ำอยู่ไกลนู่นปาีปากน้ำมันจปากน้ําลาสีกจรินปากน้ำสมุปราการเอาต่อไปเรื่อยๆทีเอามาให้ใครกันยังไม่ได้ไปที่ไหนที่ยังไม่ได้นะเอาเลยให้เฮ้อไงก็ปากน้ำเหรอไกกปากน้ำเหรอปากน้ำ เอาย้อนมาให้อยู่ในระหว่างปากน้ำนะให้ยู่นมาอยู่ในระหว่างปากน้ำเออเอานี่ทั้งนี้ยังไม่ได้ไดนะปักปักอยู่อดรเอาอให้จะอุดรเออให้คนนั่นคนนี้ไม่ได้หน้าละเอาคนนึงอ่าอ่าเอาป๊าปเลยอันนี้ฝาแกรัคุณอนุถึงไหมล่ะถึงคุณอนุไหมไหมเนอะไหนว่าไง เ่อาเราเป็นกล่องนี้เจ้าค่ะกล่องนใช่ไม่ใช่วาอันนี้แถมีกล่องแถมบีกล่องนี่เอาไตรงนั้นล่ะต่อไปทั้ไหนยังไม่ได้ให้งนี้ดูก่อนนะว่าทั้นี้ให้ไหนยังไม่ให้เอาอันนี้ไม่เคยให้สีนี้เดี๋ยวจะล้อให้วันนี้ให้วอันนี้จะให้ทังนู้น ช่องห้าอันนี้ให้ช่องหอันนี้ทางไหนทางไหนนี่ีนี้แล้วนบดลนั่นนี่นะชห้าทางนี้อันนี้จะให้ให้อามาอันนี้อามาอันนี้สามอันนี้ไปทางไหนบ้างมาก็เนี่ยให้อะไรลืมแล้วเนี่ยโยฮัเออให้ยงอ๋ออ๋อแม่ยงเขอเนี่ยจิตกันให้ให้สามเลยนองนั่นไม่ให้หระอันนี้จะให้ให้นุ่นอ้าบดพอดีละนี้จะทั้น พอดีเมื่อวานนี้หนูโทรไปเสียสมหมายเจ้าค่ะที่ร้อเอ็นะพอดีไฟไหมเขาไฟไหมตึ๊กของแกเขานะเส็ด้านหลังด้านหลังสีเขาทีนี้เมื่อวานหนูโทรไปก็เลยบอกว่ามันไหมแต่วันที่แปดเจ้าค่ะแล้วพอดีไฟมอดเมื่อวานนี้มอดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะก็เลยเสียสมหมายเลยบอกว่ากลับวานีตาก็เยอะแล้วอะไรเสียหายอะไรบ้างมากไหมก็มากมันเป็นยอดแขบไม่หมดเลยเจ หรือแล้วแกะไฟมาไฟมายัางไงมาไหมเพื่่อแ้ไฟในโรงสีหรือไฟที่อื่มาไหมบบ้หจากที่อื่นเฮ้ยต้จากที่อื่นเหลือออกอกเหล็กครับผมออกเลกกหออกเล็กเพื่อจะทำ ที่กันแกเศ็ดไฟไปโดนแกบไฟในบรีเวณนั้นแดไม่ใช่ไฟคนอื่นมาเผาครับไม่ใช่นั่นก็เป็นอีกอย่างนึงว่าถ้าเป็นไฟคนอื่นมาเผามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหล่ะครับผมไม่ไม่ใช่ถ้าไฟของเจ้าของเองมันก็เป็นอีกอย่างอนึ่งแล้วแล้วดับแล้วเมื่วานนี้เมื่อวานมันมอดเดี่ยเลยค่ะเพราะว่ามันลุกอยู่หลายวันแล้วต้แกกว่าไม่ใช่มอด แล้วไฟไฟออกจากออกหรือไฟออกจากอะไรยังไม่ทราบเลยเพราะว่าแบบมันมันขึ้นมันไม่ค่อยชัดอัอที่จะบอกกลับตาให้เนืตาด้ว่ะอ๋อแค่นั้นแหละนะพอลพี่เราจะไปแล้วีนะส า, ายแนะมีเรื่องเลยเดบ๋ยวสา ย, ยาเยอะมาก เมืช้าเมื่อเช้าเนี่ยหนูนอนนอนแล้วหนูลุกขึ้นมาแล้วหนูนก็นอนใหม่นี่หนูว่าฝันเห็หลวงตางข้าวอย่างนี้แหละหนูเลยถามหลวงตาว้เอ๊ะทำไมหนูภาวนาภาวนานสักเดี๋ยวแล้วหนูชอบลืมนะค่ะแบบลืมไปแล้วก็กลับมาภาวนาใหมา่เนี่ยหลวงตาเลยตอบหนูกว่าเพราะจิตวิญญาณเจ้าป่าตอบ อ, อยู่แค่นี้นะไหนว่าไงก็ทีหนูหนูถามหลวงตาแต่ว่าทําไมหนูนั่งภาวนาภาวนาสักเดี๋ยวแล้วลืม ลืมน้องดึกได้ก็กลับมาภาวนาพุโทโธใหม่อย่างนี้ครับเลยถามหลวงซาว่ามันเป็นข้ออะไรหลวงซาเลยบอกว่าเพราะจิตวิญญาณด<อ>้เพราะจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญา ณ, ณปแบบอะไรจะก็พูดถูกแล้วเนี่ยน ค, คนคนหลับคนหลับมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่ า, า, วาน้องตายเข้าใจไหมถ้าถ้าเลยไปข้าวเขาบีข้นวนึงเขาเรียกว่าตายนี่เพราะจิตวิ ญ, ญญาณมันฝันมันเพ้อแบบนั้นเนี่ยเอาใจไหม กลับไปนี่ให้เพื่อกับพุทโธนะมันตีตีเข้ามามันจะออกไปข้างนอกจิตเหมือนยามจะออกข้างนอกตีเข้ามาพุโธเข้าใจไหมเท่านั้นแหะนนไอ้จี้เราไปละวางนี่ไอ้จี้เราไปละที่นี้เลิกท่านละไม่มีอะไรละ พูดถึงเรื่องมชุช่านี้พูดเรื่องขคกขันไม่พูดเรื่องอะไรนะเรื่องไปวินศบาทมุโขกขั น, นจะตายเลยนะคือเขาอยู่บ้านใหญ่นู้นที่นี่เขาย้ายบ้านเรือนมาเขาจะมาผูกบ้านใหม่เห็นมาใกล้กับไรต่ำนาเขาเขาเพิ่งย้ายมามาวางทับรสัมภาระที่เขาขนมาจากบ้านเรือนอยู่ทิ้งอยู่สองข้างทางทางท้างนี้ทางนี้ทางไปนี้ไปนี้ก็ เขาเขามาตั้งทัพอยู่สองภาคทางที่เขาไปขอดูบาดเรานนะเนยเขายังไม่ได้อะไรนั่นและไอ้แค่อะไรเขาก็ยังไม่ทําเขาเพิ่งขนของออกมาแล้วก็ไปบินสบาดก็วเขานี่แหละประมาณออกมาประมาณสักสี่ห้าหลังคาเรือนเขาวางเป็นระยะระยะคือพวกนั้นวางนั่นเขาจะตั้งบ้านปลูกบ้านที่นั่นคนนั้นวางเช่นเขาจะปลูกบ้านที่นั่น เขาวางเป็นระยะระยะของเขาเราก็บินระบาดสุดทัพเขาเนี่ยเขาตั้งทำอยู่พอออกมาก็มีอิตาคนหนึ่งจะอยู่สุดท้าทางนี้แกอยู่สุดทางนี้พอออกมาก็ทับของแกก็ทับสัมบาระก็เต็มอยู่นี่อยู่นี่วางมาแกกะพูดว่าไหนลินธวารได้อะไรบ้างเล่าเอ๊ขอดูว่าหน่อยแกว่าแกก็พุ่ปั้มมาเลยตาหันดีอยู่นะ น่าชมอยู่กล้าหารดีมาผู้บ้ามาจับบาตเราก็เลยกระแทงบาลตรจับบาตรผู้ว้าคืารรอเราทันทีแล้วล้อมก็เลยมันยังไงหนูจะเอาเกลื่อกินอะไรเนี่ยข้าวก็่าสองสามปันแล้วม <c oughs> ม่มีอะไรติดมาเลยรีบสูรีบลูกหลานก็นั่งจยานั่นแหละรีบสู้รีบเลยไปหาอะไรมาตามําพริกถวายท่านพอได้ฉันบ้างที่มีแะเข้า ว, บา ว, บาวเบาผู้เฒ่าเองเจ๊แกแก็กวิ่งวุ่นของแกเรา เรียกคนนั้นเรียกคนนี้มาก็คนนั้นได้นั้นคนนี้ได้พริกคนนั้นได้เกลืออ่าคนนีก็มันหายปลาล่ามันตั้งฝางข้างเขาขึ้นออกมาวางเขายังไม่ได้ไหนนี่นะนนแกก็ไปปุ๊บปั๊บไปก็ไปเอาทัพที่ังไปตักเอาน้าปลา่าเรเขาใจ้ปลาลาดีอ่ะเอามาก็ใส่เล็กเขาก็ต่้บปึ้งปังปึ้งปังเอาเลี้ยงสูเลี้ยงเลีเล้ยงคือนิมนต์ให้เรายืนร อ, อะ บอกนิมนต mm ์รอซะก่อนใช่ว่างั้นเราก็ยืนมันก็อยู่ข้างนี้ก็เห็นอยู่นะไปตัดเอาปลราดิบมาพระเป๊ะๆแล้วก็ดูอยู่เอ้เราเอาน้าใจเราเฉยเอาน้าใจแล้วว่ใส่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอเสร็จแล้วก็ตัดขึแล้วก็ห่อปุ๊บปั๊บปแกรถือมาอย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็ปุ๊บมามามาก็มากแล้วก็เปิดบานมา พอบ า, อาอบมันอาพบลงเลยแม่มันต้องอย่างนี้สิมันก็เรียกว่าเลมันต้องอย่างนี้สิมีจะเข้าบา่ามันกินได้อย่างไงสิว่าแต่ว่ามันต้องอย่างนี้เลยจะดีใจมากเรียกว่าดีใจมากเราก็รู้แล้วโอ้ยก็ไปแล้วเราไม่เปิดเลยนะคือห่อไว้วก็มันเห็นอยู่นี่เข้าใจไหมปลาดิบท่านห้ามผ้าไม่ฉันเนื้อดิบ ป, บปลาดิบเนี่ยปลาดามันก็ปลาดิบมืนว่าไง จะไปฉันได้ยังไงก็เห็นอยู่พอแกใส่เรียบร้อยห่อเรียบร้อยแล้วแกก็มาใส่บ้านรนะงันอย่างนี้มึงค่อยทั่วหน่อยพูดอย่างคึกคักนะพอ ไ, ไปถึงนั้นแล้วเราก็เอาหมอกีอ่อ อ, ออกไว้เสียไม่เปิดก็เห็นอยู่แล้วจะเปิดหาอะไรอยู่ไหนเราจึงไม่ลืมแต่นี่เราน้ําใจนะโอ้แตดีใจมากเลยเราก็พอใจกับแกเหมือนกันพอแจเอาความดีใจของแก เอใส่บาตรอ่าอย่างนี้ที่มันก็ควันชั่วน้อย <c oughs> ควันชั่วน้อย <c oughs> แล้วเมื่อวันหลังมุกเจาะไปหาตำปราหลดีิบไม้คอยแทะไอ้ี่มันบางฮะมันต้องอย่างนี้แข่ชั่วหน่อยเชื่อนอยว่อไข่่เป็นเหมือนผู้่านี่ขยนี่ได้ไมันหลงทิศไปนะเข้าใจไหมตังผู้ถ่อกับวตีผู้ถ่มากวุกไสบ่าแล้วก็ไปเลยแล้วเฉยถ้ามันแถวนีว้มได้นะเข้าใจไหมมันจะเอามันหลงทิศไปได้เลยนะมันยิ่งก็ต่ออะไรไรด้ผมบอกเนี่ะไดแล้ว ครอบทุกแบบเนี่ยจะนี่เรามาพูดเรืองอื่นประเทศฉะนั้นเนะี่กรรมฐานกับอบทุกแบบเพราะแบบาม่ครูจันยิ่งแล้วนะโอ้ยส ม, มุขของมันไม่มีใครกกินเพรแม่ครูจันมั่นนะเพราะแม่ครูันมั่นเรียกว่าแล้วคู่เรื่องแบบนี้คุกแสนทางเพราแม่ครูจันมันม่นนะเพราะจะก่อนกรรมฐานไมนงง่มีมนจะชั่นปลายที่ไหน เขาตื่นกันะเขามากขี้ อ, อะไรเขาตื่นกันองค์ธรรมก็มีสว่างท่านทุกข์กันามากเพียท่านได้ทํามาแต่พวกเราเห็นไหมล่ะพราแม่กุญจารมานี้เป็นเอกในสมัยปัจจุบันพูดเรื่องความภาคเพียเรื่องความสมุขสมานความพุกความทารามานี้ไม่มีใชรเกินท่านเลยนะท่านทุกแสนสาหัสเพีย ทั่นจือมาเป็นลูกอาจารย์ของพวกเราดีเวลานี้ชื่อกะเชือนทั่วประเทศไทยเวลาท่านเลื่อนไปแล้วชื่อเสียงท่านค่อยกระเชื่อตามหลังไปนะแต่ท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านพอทุกอย่างแล้วนี่ยเพราะความลำบากระวนชนเอาว่างั้นเถอะลว่ากขนาดไหนช น, นเอาไม่ถอย เฮยอาไปที่บะจิ๋วข้าเชื่อมเรื่องความเงินบากของบงตะกรอนคือว่าทึา่ไหนเขาก็รู้กรรมฐ า, านเนยทุกวันนะก็เที่ยวไปเขารู้ว่าเป็นกรรมฐ า, านเนะ่ยเขาก็ใส่ให้คิดอยู่ไม่เห็นมีอะไรเขาก็ยังเล่า ก, ก้องโอ๊ยไม่มีอะไรจะฉันเรื่องทำไมเงี่ยเขายังเง่ไปหามาอมตะกรอนไม่มีทํานละนี่จะเขาพูดนี่จะเขาพูดแล้วท่านออกมาเล่าให้ฟังถ้าทกากรรมฐานข้าง ฉันจะ่ถั่วแต่งาหวางนั่นนะท่านมาฉันเนาะฉันป่าแล้วเขาพูดกันทีนี้เวลาเขาไม่มีชั่วมีงาเขาก็มีจะเข้าเปล่าใส่บาทให้เลยเพราเนื้อป่าเขาเขาบอกกันว่าท่านมาฉันเนาะฉันป่าท่านฉันจะ่ถั่วแต่งาเมื่อเขามีชั่วมีงาเขาเอาจะเข้าเปล่าใส่ใก็ปินไปเยอะอย่างนั้นท่นานนะท่านมาเลาฟังนะืะ ท่านเล่าเลาขบขันนะท่านเล่าแบบเวลาพูดผ่านไปแล้วก็พูดธรรมดาธรรมดาเท่แบบทำกรรมฐานท่านไม่ไม่ฉันนะฉันตาท่านฉันจะ่ขวดแต่งานอย่างนั้นเมื่อเขาไม่มีขวดมีงานแล้วเขาก็มีข้าวเปล่าเขาก็เปล่าฉันเราก็ฉันจะเข้าวเปล่าไปนั่นแหีะธรรมดาขบขันเลยท่านเล่าใั้ฟังเร็วเร็วเร็วเก้าโมงกว่ากลางไป ้อจไม่สายมันก <ừ> ็สายจนได้หมาอะไรหายอย่เงหมาอะไปหายอยี้ยอีกวคือะไรายอย่างเี้ยหมาฮะอืมเกาะอะไรอะมาจากสัตว์อเมริกาฮะมาจากชักสัตว์อเมริกาครับผมมาจที่สร้างวันั่นนอกจากเมริกาสัตดารา แลวมาอะไรมีอ้างมา้างเอ๋อก mm ็งตาได้ดูวีดีโอของหลวงตาแล้วก็วอวว่าไงวแสดงว่าไงแสดงถึงความเป็นอยู่ของหลวงตาค่ะหลวงตาแบบอยู่แบบง่ายๆตามธรรมชาติอ๋อแล้วก็สุดมากไปละละนะนี่เสลวไป เร า, เรายังดีในวันนี้ยังอนุโลมนะถ้าธรรมดาเราก็ดุรั่นเล ย, เลยถ้าอะไรเราถึง ด, ดุรั่นก็มาทั้งจากอเมริกาทั้งเมืองทั้งประเทศดรอร่าดอันหนึ่งก็ไม่เคยมาฝากเลยแหมเราโมโหมากนะเพราะเราถึงทนเอมาโม โ, มโก็ถทนออกเลอะ ก็ก็เราทนล้วก็บอกว่าเราทนด้วยเราทนเอานี่ล้วก็จะทนไปนเนี่ยมนจะธรรมดาเราทนตลอดใวันเนี้ยวันนี้ผมจะทนทั้งวันในวันนี้อ๋ออะไรอีกอ๋ออะไรอีกอ๋ออะไรอีกอ๋อให้เหรอ พ่อจะคนดันมาบเทาความทนเหรอน่ายู่ที่น้นก้าถวายผ่านธนาคารมาก่อนเออฝากธนาคารอันนี้เวลาเราไม่ได้ทนที่เขาฝากที่สาธนาคารมาเราทนตรงที่มาหาตอนนี้ไม่ได้ฝากธหาคาร โอ้ได้มากเลยนะเราจะมีหายชนเราจะไปดูความเบิกบานเราจะไปดูความเบิกบานด้วยนะจิ้มแย้มแก่ใสหลวงตาจิ้มแย้มไปเลยนะจิ้นะแล้วก็เออไม่ได้เลยอืมใจนี้พอใจหลวงตาพอใจจะไปล้วโี่ะโต๊ะโต๊ะโมันอะไรขากเหมือะไนเอาเราได้ดันล่าแล้ววันนี้เราทนเอาได้ทนสบายละนี่ไปเลยสบาเลย Алёна, дизайн печата. А потом дизайн, я тебя. Ну тогда могу прислать.